แต่กายนี้ไม่เที่ยงมีปัจจัยปรุงประกอบให้เกิดกายขึ้นดังนี้สุขเวทนาอันต้องอาศัยกายจากเที่ยงได้อย่างไรเมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้เธอยอมเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความคลายไปความดับความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู่เมื่อเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้